ไม่ได้เลยมั้ื่อนดูคาดไปด้วยหกคนกลุ่มถามหาไม่มีใครบอกหรือคนที่เพื่อนคามเลยถึงนาด น, น, น, น, นเรื่องของสนนงฆ<า>์นะครับเื่อนคาดเลน่พูดไปวาสั่งเองเมื่อกี้ประชุมเนียไม่เข้าใจย่ายมันเรื่อนคาดได้นหเรื่องสิ่งภายนอกจะมายุ่งมากนะ ตะวี่ตะลงจะเสียนะผิดส่งนอกมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรตัวอะไรยุ่งแต่นอกมากเราพยายามมัดระวังเรื่องสิ่งภายนอกแมเข้ามาเป็นอันตรายเป็นข้าศึกต่อภายในทางด้านกีตาร์ทาด้านกีตาร์าพวนะสิ่งภายนอกมันไหลไปได้ง่ายๆแต่ภายในยมันยากมันก็แค่กำชับตำชา เราเราเห็นคุณค่าของสิ่งภายนอกขิ้นกว่าทางด้านจิตตพรนาแม่ศาสนาที่ดาเนินมาก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวองทัานถือจิตตพรนาเป็นสําคัญมากในวงศาสนาถือนี้เป็นสําคัญใ น, นตำรับาําราเราก็เห็น ส่วนมากมีเพื่อจะเอากิเลสไปเหยียบย่ําทําลายลบล้างสําหรับทําลาซึ่งเป็นของสิ่งเสียงมากกว่ามากมันเอกิเลสมันเข้าตรงไหนมันไม่ได้ฟังเหตุฟังผลเพราะความอยากทําอยากพูดอยากคิดเป็นเรื่องของกิเลสฝังใจอยู่แล้วออกมาได้อย่างง่ายดายทาหาโอกาสแทรกออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้การบังคับบัญชากันอย่างหนัก ยิ่งในขั้นเริ่มแรกนกี่กิเลสมันถาโผนมากเพโยบถึงต้อง ใ, ใช้ความฝึกทรมาร ก, กันยันล่ะราวกับว่าติดคุกติดตารางหรือถูกจับมัดเท่าที่ทรมา น, นอยู่ทนไม่ได้ก็เพ่นไ ป, ไปเอาคอร้องกิเลสมันตัดเอ า, าขาดสะบ้้นไปพดทนได้ก็ฟื้นตัว ก, กลับมาได้ พิเรยเป็นของเล่นเมื่อไรพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอตัวไหนตัวไม่เป็นภัยตัวไหนตัวไม่ชุดรากเราลงพิเรยตัวไหนชุดรากเราให้ขึ้นมีเลยไม่มีปพราะฉานั้นการอารมจิตใจนี่นก็คือการต่อสู้กับพิเรยโดยตรงหนักก็ต้องใช้วิธีฝึกหนัก กิเหนักขนาดไหนเราจะไปอ่อนข้อไม่ได้ต้องหนักมือเดียวในการฝึกทรมใหม่ถึงขนาดเป็นตายก็ต้องฟัดกันลงไปไม่งั้นไม่ได้เขาจะเอานิสัยของกิเลดมาใช้กับวิเดสมันก็กมคืนเป็นหนึ่งก็หนึ่งบวกสองมีกำลังมากสองเท่าขึ้ไปแล้วมีประโยชน์อะไรสถานทนี่เราตั้งใจฝึกฝนฝนอบรมพระทางด้านจิตภาวนาโดยตรง สิ่งภนอกเป็นเครื่องอาศัยเล็ก น, น้อยเราต้องใช้ความระมัดระวังเสมอเวลาจะทําสิ่งภายนอกไม่ได้ทําไม่ไท่เพื่อแบบหากดเกณนเหตุผลไม่ได้อย่างนั้นแต่กิตภาวนานี้ต้องเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลแก้กิเลสไปได้ถ้าเราตั้งใจจะแก้ทําไมแก้ไม่ได้กิเลสผูกมัดเราทําไมผูกมัดได้เราจะทํามาแก้กิเลสพระพุทธเจ้าสาวโวข่านเคยแก้ม า, มามากกว่ามากแล้ว ทัานแก้ได้ทาําไมเราจึงกลับมาผูกตัวเองด้วยที่เหล็ไม่แค่เอาธรรมมาผูกที่เหล็กนั่นในเรื่องอะไรการทุทธปฏิบัติจุนสี 4, 5, ่จุนห้าลุ่มดอ น, ดอ น, ดอนคอยแต่จะให้ทีเด็มัดขอเอ า, ม, า, อเอามัดคอไได้ผลประโยชน์อะไรตามไม่ดูค้นทางเดินไปไม่ดูคนทางคิดวบบตั้งแต่จุดที่หมายปลากทางที่ตนจะไปอย่างเดียว ไม่ดูขวามดูหนามดูคุนทางว่าถูกหรือผิดมันจะเป็นภัยเป็นอันตรายในระหว่างทางเพราะอันใดบ้างก็เพราะความไม่สังรวมความระมัดระวังตัวเองเลยโดนสะดุดบ้างติดทางไปทางที่ผิด บ, บ้างการดาเนินปฎิปทามันก็เหมือนกันนล้วเลีงตั้งแต่มักผลนิพานแต่ไม่มเลีงดูค้าสุดที่อยู่ในจิดกันตั้งแต่ต้นทางจากระทั่งถึงที่สุดทางมื้อตั้งแต่ความแต่หนา คืกิเลสทั้งมลวลเราไม่มองดูตรงนี้ไม่หลบบีบไม่ระมัดระวงังตรงนี้ระวังอะไรผู้บัญชัตาต้องมีความเข้มแข็ ง, ขงมีจิตใจจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลําดับด้วยความตั้งอกตั้งใจม่ใช่จะเอานิสัยของโลกมาใช้นิสัยของโลกมันเอาประมาณไม่ได้เพราะมันเกิดมากับกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันเป็นนิสยัยฝังใจอยู่แล้ว แ ร, รงมาลายก็มีงแต่รวลดลายของเสลี่ยที่จะพาเราให้เสียและล่มลงไปยิ่งเข้ามาคือปฏิบัติเจ้านิสัยเฉลี่ยมาช้าชนั้นก็ยิ่งมาทำลายตัวเองหาความถูกความเจริญลึกหาคำว่าบำรุงตนไม่ได้ต้องได้ความมาม่นมาตวังการกินการอยู่การหลับการนอนต้องฝึกให้หมดไม่ฝึกไม่ได้สิ่งที่เคยทํามาเป็นเรื่องของเสดี่ยเปเรื่องของความไม่มีขีดมีแต่ตามยถา ก, กรรม แต่ทำมันจะทำยะถายถากรรมเลยทำมีเหตุมีผลมีกฎมีเกอนมีแบบมีทบัตมันต้องอานำแบบนำแผนกฎเจนนี้ไปใช้กับพ่เรศถูกฝนทรมานตนเองอย่งนั้นจะไปไม่รอดนั่นรูเลวไหลไไปเรื่อยๆเราสรุดใจเรื่อยๆหมู่เพื่อนเข้ามามากๆมีแต่เลวลงเลวลงเ็วลงเ็วลงเรื่อย หาจะส่งตัวจะไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ความจเจริญขึ้นไปเลยแม้แต่ทรงตัวก็ส่งไม่ได้มันถึงเรียกว่าเหลวลงเร็วลงถ้าสรงตัวได้จะเรียกว่าเหลวลงเร็วลงได้ไหมเร็วลงนะเนี่ยดูล้วสะดุดเราไม่ได้ชินกับอะไรแล้วดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ชินดูด้วยเหตุด้วยผลทําไมจะไม่รู้เรื่องผิดเรื่องถูกความเพื่อนไ ห, หมายกา็หมู่เพื่อนทั้งเป็นครูเป็นอาจารย์หมูเพื่อนด้วย สั่งสองหนหมูื่อนด้วยความตรงใจจริงๆรับไหวหลายรายก็รับไหวโดยอธรรมสั่งสอนด้วแอบโดยธรรมมีความจดจ่อต่อหมูต่อป้วนอยู่เสมอแม้ร่างสุขภาพร่างกายเป็นเครื่องมือจะไม่นนุ่มแต่จิตใจมันก็อดคิดไม่ได้ความเกี่ยวข้องกับหมูป้วนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันก็เห็นมันก็รู้ผิดถูกก็มันจะไม่รู้ ทั้งหน้าตั้งตาภาวนาดูตั้งตรหัวใจเจ้าของที่เป็นสําคัญยิ่งกว่านั้นไม่ดีนี้จังแต่จิตนั่นแหละเป็นตัวก่อเหตุมีอะไรที่ไหนไปเราอยากทราบได้เห็นได้ชัดให้มันจิตเอาแต่ยังขั้นสงบฉะนั้นก็ทราบเวลามันสงบจริงๆไม่มีอะไรกวนเลยก็อะไรจะกวนเจ้าของกวนตัวเองเท่านั้นถ้าเจ้าของไม่กวนตัวเองสิอย่างเดียวมันก็สงบไปหมดนั่นคุณจะเห็นได้ชัดว่าความคือความเขานองแล้ว ความบวรบกวนตัวเองทำลายตัวเองก็คือเรื่องของใจที่มีที่เลสดถักดันออกมาบังคับออกมาให้ทําให้ก่อควนตัวเองเท่านั้นยงท่านหยุดสงบลงไปแล้วนั้นไดเห็นธัดเจนแล้วมีตัวความรู้เด่นรู้อยู่เท่านั้นไม่เสียดายไม่อะไรกับอะไรในขณะนั้นมันก็เหมือนกับโลกไม่มีนี่เพียงจิตสงบเพราะนั้นก็ทราบโดยชัดเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตที่หลุพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่าง อันขึ้นชัว่วสมมติแม้พายในจิตใจก็ไม่มีแล้วจะเอะไรมาวรกวนกันมันไม่มีอะไรกวนเรื่องกวนใจก็มีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลนั่นแหละจะอะไรมากวนจากอื่นไม่มี น, น, นั่นท่านยิงเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกมาใช่โลกธาตุดินน้ำลมไฟไฟอากาศเป็นข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจพากันจำเอาไว้แก้ใจก็แก่กิเลสแก้ลงที่ใจข้ากิเลสข้าลงที่ใจ ความอยากอยากอะไรบ้างครับความอยากให้ลงไปเพราะส่วนมากความอยากมีที่ลงของพิเดทั้งหมดนั่นแหละถ้าจิตไม่มีกำลังทางด้านธรรมะแล้วความอยากในธรรมจะมีน้อยมากจนกว่าจิตได้ออกลมขึ้นไปมีธรรมเป็นเครื่องดึงแล้วธรรมจะมีความเปิดปีนไปกับนั่นถ้าอยากก็อยากเป็นเรื่องความพ้นทุกข์อยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมเข้าไปถ้าธรรมมีกำลังมากความอยากของธรรมก็ขึ้นแทนที่ความอยากอนี้เป็นมากความอยากของพ่เดษ เป็นโยกสมุทไทยทั้งมวลมันเดียวเป็นตันหาแต่ความอยากท้าของทำที่มีกําลังหรือมีโอกาสที่แทรกไปมาภารกิจและมีกําลังมากเพิ่เท่าไหร่ความอยากอันนี้ย่งยิ่งยิ่งเด่นความอยากทางท่านสมรภเด่นเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับกันดาแต่เราจะเห็นได้ชัดว่าความอยากทั้งสองอย่างนี้มีความต่างกันอยู่มากความอยากที่เด่นมีแต่เรื่องกด ทวงตัวเองลงไปถ้าความอยากของธรรมแล้วเรื่องเพื่นที่เป็นฝ่ายทำหรือความยากที่เป็นฝ่ายมากแล้วมีแต่พยุงตนขึ้นไปเป็นลําดับความอยากรู้อยากเห็นมีมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดยิ่งเดียวยิ่งอาจยิ่งหานไม่รู้จักเป็นจัก ต, ตายไม่เสียดายชีวิตมีแต่อยากให้รู้ให้เห็นอยากให้หยุดพ้นโดยถ่ายเดียวต่อเ น, นื่อง ไ, ไปโดยลําดับเลยไม่มีอียาบกเพี้นเสียตนับเท่านั้นนี่คือความยากของธรรมที่มีกําลังตุ่ขึ้นภายในตัวเอง ความอยากของยีเดียบรถน้อลงไปแทบไม่ตากดนี่เราจะเห็นได้ความอยากทั้งสองนี่ต่างกันยังไงใช่เอออะไรอยากขึ้นมาก็จะเป็นตัญหาอยากอะไรขึ้นมาก็เป็นปัญหาเมาเป็นปัญหาไปหมดเวลาความอยากเป็นตัญหาจริงๆนั้นทําไมไม่สนใจไม่แก้ความอยากของด้านธรรมะพอจะทําขึ้นบ้างมันจะเป็นตัญหาไปเสียความอยากเป็นตัญหาจนตาบอดกระมือมันไม่เห็นคิดเห็นว่านี่มันแพ้กี่เียบันดาคัมอ่ะถ้าปัญญาต่อแทกไม่มี แต่เข้าตจว่ากิเลส ม, มันจะหลุดรอยอไปเพราะความอยากเพราะการเสริมความอยากให้มันอันเป็นป่ายของมันนั่นเลยจะอะไรจะแกะยากจริกอดี่เลสนี่พูดย้ําแล้วย้ําเล่าอยู่ตลอดจนผู้พูดก็เบื่อจะพูดแล้วอย่าว่าผู้ฟังจะเบื่อเลยเพราะพูดที่พูดออกมาจากความจริงพูดอย่างถึงใจเคยเห็นเคยรู้มาแล้วถึงพูดสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่มาพูดแบบเดาๆเอาเอาให้ต่อสู้กันก็ต่อสู้มาแล้วแทบเป็นแทบตายยากหรือไม่ยากก็รู้ในเจ้าของมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วจะเอาเรื่องเยอะๆมา้าดกิดเลสได้ยังไงนี่มันค่อยไล่ค่อยล อ, ย อ, ย ล, อ, ย ล, อยลงไปเรื่อยๆนั่นดูแล้วจะมีแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมะแปลว่าอะไรฐานะแปลว่าอะไร การงานมันมีแต่โรงงานคนไม่ทำงานได้ไประโยชน์อะไรเกียร์สาลงมานะขาทันตาแต่โจทุกสมไทยรุ่นมากมมีติดเต็มหัวใจแต่ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรในเรื่องของทุกของจุโมไทยมันทำงานของมันอยู่ตลอดเวลามากไม่มีโอกาสทำงานนี่โรดจะแสดงตัวขึ้นมาได้ยังไงว่าดับทุกดับทุกมันดับอะไรนี่จะดับทำนั่นแหละมากกว่าถ้าว่าเกิดขึ้น บ, บ้างเล็กๆน้อยๆก็ดับจนแหลกไมหมดทำไม่มีเหลือไม่ใช่ดับทุก อ๋อนี่ยิงให้จังนี่เคยชินกับอะไรในโลกนี้เคยอยู่เคยจมมันนานแสนนานได้ความที่สุขที่โสดอะไรมันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความหวังไม่เฉยไม่ได้อยู่ด้วยความสุขมันอยู่ด้วยความหวังแต่ความทุกข์เหยียบย่าทําลายของใจตลอดเวลาทั้งร่างกายด้วยดูที่ดูในเจ้าของมันก็รู้วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นยังไงทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเด่นอยู่ภายในร่างกายและจิตใจสุกขเด่นที่ตรงไหนนันไม่เห็นอะไรเด่น ถ้าไม่ผิดทราขึ้นมาให้สุขเด่นขึ้นทางด้านธรรมะแลยไม่มีตั้งแต่กองพวกพวง ม, มาจากไหนถ้าไม่มาจากที่เล็ดเป็นพุกผิดดูในตัวเองรู้ถ้าดูทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุมันดิน้นอยู่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวนั่นมันดิน้นหาเรื่องหาลาวหาปืนหาไพมาขอเจ้าของมันจะไม่ทุกข์ยังไง มันต้องทุกข์สติปัญญานิดหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้พอจะจะหลุดจะลอยไปตั้งนิดนึงหลุดลอยไปจะต้องวันเพราว่าแล้วมันจะทันกันได้ยังไงจะจะทำจะจะทําก็มีอยู่ในวงการนี้บอกชัดเจนอยู่แล้วทําก็อีกความหวังความไปไปหวังไปที่ไหนหวังลมหวังแรงที่ไหนลมแรงมันก็มีอยู่แล้วน่ะดินผ้าอากาศมันก็มี ต้นไม้ภูเขาอะไรมันมีอยู่หมดหวังอะไรกับมันในตัวของเรานี้มันก็มีอยู่แล้วอเรื่องดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมีหมดหวังอะไรถ้าไม่หวังทำหวังทำก็ทําเวลาที่ถูกอะไรปิดบังไว้ปิดบังอยู่ที่ตรงไหนมันก็ไม่พ้นหัวใจอีกมันปิดบังอยูที่ใจทําลายทําอยู่ที่ใจจนแหลกไปหมดมีอะไรทุ่มมาที่สติสตัง ทำงานการอะไรก็ตามสติให้มีอยู่กับตัวนี่เป็นอย่างน้อยเป็นเกิดครับเป็นเกเป็นสัมปัตชัญญาขึ้นมาเมื่อสติสติมันต่อเนื่องมาไปแล้วเป็นสัมปัตชัญญะจากนั้นแต่จายทั้งางด้านปัญญาที่พิจารณาของมีอยู่ทําไมไม่เห็นตาเราก็มีหูเราก็มีเหมือนขัง้งจุติกาเหมือนขา้งจุติกาเราสาวมาไม่ได้เกิดประโยชน์ตาเราหูเรา ตาไม่ไผ่เเป็นหูกระทอเป็นบบหูกระพ้าไปหมด้าตุิตปัญญาก็มีแต่ชื่อมันไม่กระดิกขึ้แทนภารกิตใจให้เป็นิ์ปัญญาขึ้นมาสะสมบ้ากเลยมันไนด้ประโยชน์ก <c oughs> ับเราฟังหน้าทาความเพียรดีเรื่อง อ, อื่นไม่สำคัญอะไรนะคอย่าไปยุ่งกับมันมากนะค้าที่เรนจะไปเสริมกี่เลยเราบวมมากค่าที่เลย ว่าโกทางคัตวาคัตวาทุก ข, ขังเสติยรนี่ความโกรธไม่ใช่ที่เป็นอะไรฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุกขนี่เพราะฉนั้นก็กระทือนไปหมดแล้วเห็นที่เดยมันเป็นสุขไหมนี่แต่ความทุกข์ทั้ ง, ขขงนั้นเฮ้ยจะไม่มีอะไรติดตัวนั่ น, นยอยู่นานไม่นานก็นเป็นแบบเดียวเป็นบับเดียวกันเนี้แตชื่อกลมาถานกัมมาถาน ส่วนงานไม่ทำงานของกรรมฐานังไม่ทำทะเละทรายไปทำที่เป็นงานของที่เลสอันนี้ก็กอควรแต่กองทุกขึ้นมาฮลเพราะฉะนั้นนะวันนี้ปุดทำงานเนื่อยเพราะท่านทไม่ดี